อย่าใช้เวลาที่ควรเอาใจทําความเข้าใจตัวเองเป็นหมกมุ่นครุ่นคิดนาะทางทําให้คนมองคุณดีขึ้นถ้าชอบพวงว่าใครคิดยังไงกับคุณประมาณตอนนั้นเห็นเราเจงพอหรือเปล่าที่น้าอายวันก่อนจะแก้หน้ายังไงดีที่พูดผิดจะหาจังหวะในพูดใหม่ให้ถูกแล้วเปลืองจิตเปลืองอารมณ์ บวกวนคิดไปคิดมาไม่เลิกไม่รู้ตัวว่ากำลังเสียเวลาหมกจมกับอารมณ์ที่สูญเปล่าไปคนเดียวอีกทั้งมีแนวโน้มจะกระตือรือร้อนเกินเหตุในการแก้หน้าหรือแก้ตัวจนต้องหาทางแก้เขินข้ามวันกันอีกธรรมชาติของจิตคนหูกยึดจริงจังอยู่กับเรื่องของตัวเองถ้าคุณไม่ได้เป็นที่พิวสวัดมากๆหรือไม่ได้ทาให้ใครเจ็บช้ำหนัก เขาก็จะไม่เสียเวลามานั่งนึกถึงคุณลองคลี่ความคิดในหัวของตัวเองความคิดวุ่นวายเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างไรคนอื่นก็มีหนีกันเท่าใดค้นหาเข้ามาข้างในและจะพบว่าธรรมชาติของจิตคนไม่มาเสียเวลานั่งคิดถึงใครเป็นคนคนไม่มาเฝ้าคิดถึงตัวตลกเป็นวักเป็นเวนไม่มาใช้ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ว่าใครเจ๋งใครไม่เจ๋งขนาดไหน อ่านภาวะศูญเปล่าให้ออกบ่อยๆภาวะเกิดสติจะค่อยๆปรากฏขึ้นเอง